เรื่องพระธรรมทิ น, นาเทอรีพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารภภิกษุชื่อธรรมทิ น, นาเทอรีความพิสดารว่าในวันหนึ่งเมื่อครั้งเป็นข้าเรืหัดวิสาขอุบาศกผู้สามีฟังธรรมในสำนักพระสัสดาบรรลุอนาคามีผลแล้วคิดว่า ควรให้นางได้สมบัติแล้วกลับไปสู่สกุลของนางนางสงสัยถามแล้วได้ทราบความนั้นนางกล่าวว่าใครจะรับน้ำลายที่ท่านบวนทิ้งเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจงอนุญาตการบวชแก่ดิฉันเถอะอุบาสกอนุญาตให้นางบวชแล้วชื่อธรรมทินนาเทรีนางบวชไม่นานไปสู่ป่าบรรลุอารหัตพร้อมปฏิสัมพิธาทั้งหลาย กลับมาสู่กรุงราชฤทธ์อย่างเดิมอุบาสกทราบความที่พระเทรีมาสงสัยว่านางจะสึกหรือเปล่าครั้นจะถามก็ไม่สมควรจึงถามปัญหาแก่พระเทรีเป็นปัญหาในโซดาปฏิมักพระเทรีเฉลยปัญหาข้อนั้นได้อุบาสกจึงถามปัญหาแม่ในมักที่เหลือโดยอุบายนั้นนั่นแหลพระเทรีกล่าวว่า วิสาขะท่านแล่นเลยวิสัยในคำถามของอนาคามีไปแล้วแล้เมื่อท่านจำนวงถามใครประสงค์จะรู้จงไปถามพระศัสดาเถิดอุบาสกไหว้พระเถรีแล้วไปสู่สำนักพระศัสดาปราบทูลการสมทนาธรรมแต่ต้นแด่พระผู้มีพระภาคพระสัสดาตรัสว่าธรรมทินนาทิดาของเรากล่าวดีแล้วเมื่อเราจะแก้ปัญหานั้น เราก็พึงแก้อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อจะส่งแสดงธรรมจึงตรัสพระคถาว่าความกังวลในก่อนในภายหลังและในท่ามกลางของผู้ใดไม่มีเราเรียกผู้ซึ่งไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นพรามอธิบายคำว่าความกังวลคือความกังวลในขัน รูปนามร่างกายและจิตใจทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันของผู้ใดไม่มีไม่ยึดถือด้วยตัณหาสามมีกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาไม่มีความกังวลด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นผู้ชื่อว่าไม่มีความยึดมั่นเพราะไม่มีความยึดถืออะไรอะไรผู้นั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ